สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะบอกอฟังชาแนลพระเจอผีใน YouTube นี่แหละตอนดวงไฟในไรอ้อยหรืออะไรนี่แหละนะคะแล้วก็ระหว่างที่ฟังไปเนี่ยมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนนะคะเอามือมาทุบ ก, กระโปรงรถไปด้วยเออน่ากลัวดีเหมือนกันนะคะคือฟังไปมีเสียงทุบไปเป็นรถเก๋งนะคะที่ ขี่อยู่เนี่ยแล้วก็เข้าเขตจังหวัดขอนแก่นแล้วเวลาประมาณสามทุ่มคือมันมีเสียงเข้ามาจนถึงเขตจังหวัดชายภูมิค่ะแล้วก็ขออธิบายเพิ่มเติมคือถนนที่ใช้เนี่ยจะเป็นถนนที่ไม่ค่อยจะมีไฟตามถนนหนทางตามทางโคง้งหรือว่าหน้าหมู่บ้านนะคะทีนี้พอเข้าเขตจังหวัดชายภูมิค่ะกำลังลงเขาคือชื่อเขาเกล้งนะคะอยู่ผาเก้งก็จะมีศารที่ อชอบจะบีบแตรรถใส่เป็นประจำเวลาที่ขับผ่านแต่ว่าวันนั้นขับรถมาก่อนจะถึงสารเนี่ยมันจะมีเสียงทุบรถทุบกระจกรอบคันเลยคือดังตั้งนานค่ะทีนี้พอขับรถถึงสารก็เลยบีบแตร์เสียงนั้นก็หายไปจนถึงห้องอากาศนี่ก็เริ่มจะเย็นแล้วนะคะก็เลยปิดอ่าคือเปิดแอร์มาตลอดจนเข้าตัวอำเภอมันก็จะมีไฟที่ตามถนนนี่แหละนะคะ ถึงกับช็อกเลยทีเดียวคือตามกระจกรถเนี่ยมันมีรอยฝ่ามือเป็นรอยเล็กๆ รอยใหญ่หญๆเต็มกระจกทุกข้างเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ที่ได้เจอเจอมาแม้ว่าจะไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนนะคะแต่ว่าส่งมาเล่าให้บีฟังบอกว่าระหว่างที่เปิดฟังคลิปของบีไปด้วยเนี่ยก็มีเสียงแทรกขึ้นมาเป็นเสียงตบรอบคันรถเลยนะคะน่ากลัวดีคุณผู้ฟังถ้าหากว่าใครที่มีเหตุการณ์แบบนี้หรือว่ามีประสบการณ์ตรงค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่มองไม่เห็นด้วยตาหรือว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่เรารู้กัน ในเรื่องของผีนี่แหละส่งเข้ามาเล่าให้บีฟังได้ที่ Facebook f แฟนเพจพระเจอผีนะคะทีนี้เป็นเรื่องราวอี ก, กเรื่องราวนึงจากคุณเต้ยค่ะคุณเต้ยแตงพรมบอกว่าสวัสดีครับแอดมินผมฟังมานานแล้วฟังทุกวันฟังก่อนนอนทุกคืนก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ของผมบ้างนะครับเริ่มเลยก็แล้วกันเป็นเรื่องเพราะน้ำมันจันค่ะผมชื่อเต้ยนะครับอายุ28ปีเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์นี่แหละเพียงแต่ว่าคนละอำเภอกับบ้านผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณเจปีที่แล้วผมได้ไปเช่าของขลังมาอย่างหนึ่งเขาเรียกกันว่ารักยมซึ่งตอนนั้นผมเช่ามาเพื่อให้ค้าขายได้ดีขึ้น วันนึงผมได้เอารักยมนี่แขวนไว้ที่หน้าต่างครับซึ่งเป็นรักยมขวดเล็กๆแล้วก็มีไม้รักกับไม้ยมแล้วก็น้ำมันจันอยู่ข้างในผมเนี่ยทาเป็นจี้ห้อยคอครับแล้วก็ทําอะไรต่อมีอะไรไปเรื่อยทําความสะอาดห้องนะครับปัดไปปัดมาไม้ขนไก่เจ้ากรรมมันก็ไปฟาดโดนขวดน้ำมันรักยมที่แขวนไว้เนี่ยไปกระแทกกับขวดหน้าต่างซึ่งขวดมันเปราะบางมากๆเลยมันก็เลยแตก น้ำมันจันท์ที่อยู่ข้างในเนี่ยก็กระเด็นออกมาเข้าตาผมครับก็เลยรีบเก็บแล้วก็หาขวดมาใส่ใหม่ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยว่าจะอาได้เห็นอะไรมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าก็พะวะพะวงกลัวแต่ว่ารักยมจะไม่อยู่ด้วยก็เลยรีบโทรหาอาจารย์ที่ผมเช่ารักยมมา แต่พออาจารย์รับสายท่านก็พูดมาว่าเด็กๆ ก, กลับมาหมดแล้วโดยที่ผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นสองวันลืมบอกไปว่าผมเช่าห้องอยู่กับเพื่อนสองคนครับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันชื่อปุ๋ย วันนั้นเพื่อนผมอีกคนนึงเนี่ยมันชื่อเบลไอ้เบลมันโทรหาผมอาขอให้พวกผมเนี่ยไปช่วยมันขนของย้ายห้องมานะครับแล้วก็ได้ห้องเช่าใหม่ราคาถูกมากเดือนละพันหยห้าบาท่พา 1,500 บาทเท่านั้นซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากตัวเมืองนิดหน่อยคือบ้านที่เช่าเนี่ยนะคะผมกับไอ้ปุ๋ยก็เลยตกลงกันว่าจะไปช่วยเบลเนี่ย แล้วก็ไปกัน4ี่คนก็มีปุ๋ยมีเบลมแีแฟนของเบลชื่อนุ่นก็ช่วยกันขนจนมืดจนค่ำเลยพาอขนจนหมดพวกเราก็นั่งพักกันตรงโถงหน้าบ้านที่เป็นประตูกระจกใสมองเห็นฝั่งตรงข้ามแบบชัดเจนมากสักพักหนึ่ง เบลกับแฟนเนี่ยก็เลยขอตัวออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหาซื้ออะไรมาเลี้ยงพวกผมผมกับปุ๋ยก็เลยนั่งหมดแรงกันอยู่ที่เดิมบรรยากาศเนี่ยวังเวงมากคือบ้านมันติดกันหลายหลังนะคล้ายกับทาวน์เฮาส์แต่ว่ามีแค่ชั้นเดียวครับทุกอย่างเงียบมากเงียบจนพวกผมเนี่ยขนลุกไปหมดเลยแล้วก็นั่งมองข้าวของที่ขนมา พลันสายตาก็มองออกไปทางนอกทางหน้าบ้านนี่แหละซึ่งซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกันตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มได้ก็เห็นมีเงาคนดำๆอยู่หน้าบ้านฝั่งตรงข้ามผมตกใจมากเลยเพราะว่าจู่ๆไอ้เงานั่นเนี่ยมันก็ย่อตัวลงแล้วก็กระโดดไปคลานไปคือเป็นลักษณะของการกระโดดไปคลานไปมาอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะเกินกว่าที่คนปกติจะทําได้ว่าอย่างนั้นเถอะ ทีนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องคือคุณเตยเองเนี่ยก็ตกใจค่ะตกใจกลัวจนตัวสั่นเลยเนยะคะซึ่งคุณปุ๋ยเองเขาก็มองเห็นคุณเตยแล้วละ่ะว่าตัวสัน่นแล้วก็ตาค้างมองไปข้างนอกก็เลยมองตามพร้อมกับเขย่าตัวคุณเตยตลอดเวลาถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไร จนต้องเดินไปรูดม่านปิดประตูหน้าบ้านเพื่อให้หยุดตะลึงซึ่งตอนนั้นนะคะคุณเต้ยพูดอะไรไม่ออกเลยบอกตรงๆว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้คุณปุ๋ยก็พยายามดึงสติให้คุณเต้ยเนี่ยกลับมาแล้วก็หายสาันหายกลัวคือคุณเต้ยกลัวมากพยายามทำใจใฮ้นิ่งจนกระทั่งคุณเบลกับแฟนกลับมาก็พยายามทาตัวให้ปกติที่สุดคือไม่กล้าพูดนะคะว่าเห็นอะไรเพียงแค่อีกอึดใจเท่านั้นค่ะ ตรงจุดเดิมนี่แหละประตูหน้าบ้านแล้วก็ผ้าม่านเนี่ยคือปิดหมดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าชายผ้าม่านมันปิดไม่หมดค่ะคือมันลอยอยู่เหนือพื้นทำให้มีช่องว่างอยู่ประมาณครึ่งไม้บรรทัดสิ่งที่เห็นคือเท้าคนค่ะเท้าคนหลายคู่มากยืนเต็มหน้าประตูข้างนอกเลยและไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยทุกคู่นี่ดูสกรปรกมากมีคราบดินหรือขี้เท้าไม่แน่ใจเหมือนกันเกาะเต็มไปหมดวินาทีนั้น คุณเต้ยบอกผมไม่คิดอะไรแล้วละ่ะว่าเป็นเท้าคนเนี่ยคือไม่ได้คิดแบบนั้นแน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือเท้าของสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยรีบลุกเดินเข้าห้องนอนที่คุณนุ่นจัดไว้แล้วก็คุมโปงนอนเลยทุกคนก็สงสัยว่าเป็นอะไรก็เลยเข้าไปถามไถ่กันยกใหญ่เลยก็เลยตอบไปบอกกูเหนื่อยขอนอนก่อ น, อนลวกันแล้วก็หลับไม่ลงเลยทั้งคืนนะคะมาเผลอหลับเอาตอนเช้า คือหลับไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้ค่ะตื่นมาอีกทีหนึ่งก็6กโมงเย็นละ คุณเต้ยเองบอกว่าผมตื่นมาก็พบว่าผมอยู่คนเดียวในบ้านแถมไห้เพื่อนเจ้ากรรมมันดันล็อกประตูหน้าบ้านมือถือก็แบตหมดสายชาร์จก็หาไม่เจอยอมรับเลยว่ากลัวมากผมก็เลยรีอาเสียงปีนออกหลังบ้านไปบ้านอังคางที่ว่างอยู่เพื่อออกจากตรงนั้นแล้วก็ไปนั่งรอพวกมันตรงร้านข้าวหน้าปากซอยแทนยังมีต่อนะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็คือจบลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ว่าเรื่องราวที่คุณเต้ยจะส่งมาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้าเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องอื่นนะคะขอบคุณคุณเต้ยแตงพรมด้วยนะคะที่ส่งเข้ามาทาง Facebook f แฟนเพจพระเจอผีค่ะที่ให้บีได้นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางช่องบน YouTube ค่ะ มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องสยองขวัญของพระบวชใหม่เนีคะเป็นเรื่องที่บีจะเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้มีอยู่ว่าเพื่อนคนนึงตัดสินใจบวชที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อผ่านพิธีต่างๆจนเย็นย่ำค่ําคืนแล้วเนีคะพระพี่เลี้ยงเนี่ยก็บอกให้ไปหาห้องนอน ห้องที่พูดถึงนี่เป็นกุฏิหลังเล็กๆซึ่งปลูกเรียงกันประมาณหหลังพระพี่เลี้ยงบอกให้พระใหม่เนี่ยไปนอนที่กุฏิหลังที่2ซึ่งพูดเสร็จแล้วนะคะก็ขอตัวไปทําธุระพระใหม่ก็เกรงใจก็เลยเดินเดินขึ้นไปที่กุฏิ เป็นกุฏิ2อ่ะนะคะคุณผู้ฟังซึ่งกุฏิเนี่ยเรียงกันอยู่5้าหลังก็คือเป็นหลังที่สองนะคะในกุฏิเล็กๆ เ, เมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วก็จะเป็นที่นอนอันเดียวที่อยู่พื้นรอบๆห้องนี่ไม่มีอะไรเลยจะมีเพียงแค่โต๊ะเก่าๆตัวหนึ่งแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำ พอดีเวลานั้นนี่เป็นช่วงปลายปีค่ะอากาศก็ไม่ร้อนพระใหม่ก็เลยไม่กังวล น, นะฮะว่าในห้องจะมีพัดลมหรือเปล่าทีนี้เมื่อส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยละก็ลงนอนหยิบหนังสือสวดมนต์ที่ได้รับมาจากตอนทำพิธีบวชเมื่อเช้าขึ้นมาอ่านสวดสวดท่องๆ อ, อยู่แบบนั้นจนรู้สึก ง, ง่วงหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะ หลับไปนานก็ไม่รู้เรื่องว่าหลับไปนานแค่ไหนจนกระทั่งได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเสียงดังปั้งๆเลยนะคะพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็สงสัยว่าเอ๊ใครกันมาเคาะประตูห้องก็เลยลุกขึ้นมาเดินตรงไปที่ประตูพื้นกุฏินี่มันจะเป็นไม้กระดานใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีเสียงเดินดังเอียดๆนะคะเป็นเสียงไม้กว่าจะถึงประตูนี่ก็ดังไปหลายเอียดเลยละะ่ะค่ะพอเปิดประตูห้องออกปรากฏว่ามีแต่ความมืด ไม่มีใครยอยู่ตรงประตูเลยบรรยากาศรอบตัวเนี่ยเงียบสงบและด้วยความง่วงก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากปิดประตูแล้วก็กลับไปนอนคิดว่าอ า, อาจจะเป็นเพราะว่า ต, ตัวเองหลับอาจจะหูแว่วไปก็ได้ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาส่องดูซึ่งตอนนั้นเวลาใกล้ตีหนึ่งแล้วก็เลยเอนตัวลงนอนหลับตาแต่สักพักเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็มีเสียงเคาะอีกรอบหนึ่งคราวนี้ได้ยินชัดเจน และไม่ได้หลับอยู่ด้วยใครกันมาเคาะประตูพระใหม่ก็เลยลุกขึ้นเดินไปที่ประตูค่ะเพื่อเปิดประตูออกก็ไม่เห็นว่าจะมีใครจะโงกซ้ายจะโงกขวาก็ไม่มีคนเสร็จแล้วก็งับประตูกลับเหมือนเดิมกดลูกบิดแล้วก็เดินกลับมาระหว่างเดินเนี่ยก็ได้ยินเสียงของไม้กระดานทําให้ฉุก ค, คิดนะฮะว่าเอ๊ะถ้ามีใครมาเคาะประตูจริงทําไมไม่ได้ยินเสียงลั่นของไม้กระดานที่เกิดจากการเดินบ้าง ถึงตรงนี้แล้วค่ะก็เริ่มอาการขนลุกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเริ่มหวาดระแวงความมืดรอบตัวแต่ก็พยายามข่มใจนอนหลับตาให้ได้แม้ว่าประสาทตอนนี้จะตื่นตัวเต็มที่พยายามข่มใจยังไงหูก็พยายามตั้งใจฟังเสียงรอบตัวเท่านั้นนอนรอสักพักหนึ่งก็ลุ้นนะคะว่าจะมีเสียงใครมาเคาะประตูอีกหรือเปล่ารอลุ้นไม่นานนักนะคะก็มีมาอีกค่ะเสียงดังปังปัง ป, งปังเลยนะคะ หลังเสียงดังขึ้นพระหม่ถึงกับตัวชารู้สึกเครียดยังเห็นได้ชัดตัดสินใจไม่ถูกแนะ่ว่าจะทำอย่างไรจะปล่อยให้เสียงเคาะนั้นเนี่ยดังขึ้นไปเรื่อยๆหรือจะทำใจดีสู้เสือลุกขึ้นไปเปิดประตูตอนที่กำลังนึกอยู่นั้นค่ะก็มีเสียงเคาะระลอกสองดังขึ้นมาอีกทีนี้นี่เหงื่อพระการนี่แตกพลักพลักออกมาเม็ดเท่านิ้วโป้งเลย แต่รู้สึกหนาวเย็นอย่างบอกไม่ถูกค่ะรู้สึกว่าเพาะห่มที่คลุมอยู่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม้ว่าสภาพจิตใจจะย่ำแย่ขนาดไหนก็ยังพยายามข่มใจลุกขึ้นไปที่ประตูอีกครั้งนะคะเสียงประตูมันเปิดค่ะดังอาดเลยนะคะพระใหม่ชะโงกหน้าดูซ้ายขวาก็ไม่เห็นใครเอาวะเอาไงเอากันบอกกับตัวเองงับประตูกลับคืนแล้วก็ยืนพิงฝาอยู่แบบนั้น ว่าถ้ามีเสียงเคาะประตูอีกจะเปิดพัวออกไปให้ผีมันตกใจบ้างเออยืนรออยู่อย่างนั้นด้วยใจระทึกค่ะเมื่อไหร่ว่าจะมีเสียงเคาะเมื่อไหร่จะมีเสียงเคาะก็นึกอยู่อย่างนั้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่ใจก็นึกไปต่างๆนานาว่าตัวเองหูแ ว, ว่วเอ่หรือว่าผีมันมีจริงๆก็คิดไปต่างๆนานาสักพักนึงค่ะก็มีเสียงดังปังปั้งปั้งปั้งเคาะขึ้นมาอีกเป็นอย่างที่คาดคุณผู้ฟังเสียงเคาะประตูดังอีกแล้ว พระใหม่กลั้นใจเปิดประตูพั่วออกไปเสียงอุทานสวนกลับมาทันทีคุณผู้ฟังเองเลยนะคะถึงแม้จะเป็นตอนกลางคืนค่ะความมืดปกคลุมไปทั่วพระใหม่ก็เห็นหมาตัวนึงหุนอย่างหมาไทยอีด่างลายจุดนั่นเลยกระโดดยงขึ้นมาจากท่านอนที่กำลังใช้เท้าหลังเกาอยู่วิ่งผุบเข้าไปทางบันไดกุฏิโถอีหมา ระใหม่สบถแล้วก็เริ่มประติดประต่อเหตุการณ์คือหมามันขึ้นมานอนหน้าประตูแล้วก็เกายิกยิกยิ ก, ยกขาหลังที่เกาดีดประตูมันดังปั้งปั้งปั้ปไปด้วยนะคะแต่พอได้ยินเสียงคนลุกขึ้นมามันก็เลยรีบวิ่งหนีลงกุฏิไปแต่พอเสียงเงียบมันก็กลับขึ้นมานอนที่เดิมอีกแค่นั้นแหลคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสยองของพระใหม่นะคะคุณผู้ฟังคะบางทีการที่เราได้ยินเสียงอะไรหรือได้เห็นภาพอะไรเนี่ย ตามหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าให้มีสตินะคะให้รู้ว่ามันคืออะไรให้รู้ทันเท่าสติตัวเองแต่บางทีเนี่ยจิตของเราเองสติของเราเองมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็อาจจะโดนจิตเนี่ยหลอกปรุงแต่งเอาได้ว่าสิ่งเหล่านั้นคือผีสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนมันก็เกิดความกลัวค่ะก็เหมือน ก, นกันกับเรื่องนี้บางทีอาจจะเป็นเรื่องตลกนะคะสำหรับใครหลายๆคนแต่ถ้าเรามองมุมกลับกันถ้าเรายือนอยู่รออยู่ จนกว่าจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรกันแน่มันก็จะเหมือนเรื่องนี้ค่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือหมามันคันมันเกาพอคนเดินมามันได้ยินเสียงพื้นดังเอียดเอียดมันก็วิ่งหนีซึ่งเท้าหมามันจะเบาไงคะคุณผู้ฟังมันจะไม่หนักเหมือนเท้าคนมันก็จะไม่ได้ยินเสียงมันวิ่งหนีไปประมาณนั้นนะคะมาฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของคุณสองแควนะคะ2แควเนี่ยเล่าถึงประสบการณ์ขนหัวลุกจากเชียงใหม่ คุณสแควบอกว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีแล้วก็ไม่เคยถูกผีหลอกมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียวแต่บทจะเจอก็เล่นเอาแคบช็อกตายคาที่เลยล่ะครับเมื่อต้นปีนี้เองผมไปเที่ยวเชียงใหม่กับเจ้าต๋องเพื่อนสนิทผู้มีอาชีพค้าขายเหมือนกันที่พิษณุโลกสาเหตุก็ไม่มีอะไรมากก็คือเจ้าต๋องนี้ถูกหวยใต้ดินมาหก0 0 0่บาทคือมันแทงส่งเด็ชไปอย่างนั้นแหละตรงโต๊ะตัวละร้อยบาทโชคดีที่เจ้ามือไม่เบี้ยว แต่เพื่อนผมยังไม่ไวายบ่นออดว่าน่าจะแทงสักตัวละสี่ซา500จะได้รับทรัพย์เป็นแสนๆจะได้หยุดงานไปเที่ยวฮ่องกงหรือญี่ปุ่นกันซะเลยไปนู่นเลยนะคะนี่แหละค่ะความโลภของมนุษย์เราเจ้าตองชวนผมขึ้นรถไฟไปเที่ยวกันบอกว่าจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องขับรถขับรานับประรอบครอบดีนะคะเพราะว่าเจ้าตองนี่ชอบดื่มสุราระดับขาเมาส่วนผมก็ขับรถไม่เป็นด้วย ยิ่งเห็นเขาขับชนกันโครมโครมยิ่งไม่อยากจะหัดขับรถให้หวาดเสียวเปล่าๆเป็นอันว่าเราได้ไปแอวเวียงพิงสมใจโดยมีเพื่อนฝูงแนะนำโรงแรมที่เชียงใหม่ให้แถมจองไว้ให้เรียบร้อ Scotland, ยแล้วเหตุเกิดที่ใกล้ๆโรงแรมนี่แหละครับจากถนนใหญ่เข้าถนนซอยในราว100เมตรเป็นโรงแรมเล็กๆแถมน่ารักมากเพราะเขาจัดสวนต้นไม้ดอกเอาไว้ร่มรื่นตั้งแต่ทางเข้า แล้วก็มีแมวสวยๆสองตัวนี่นอนเล่นกันที่เก้าอี้ยาวริมทางแถมนกขุนทองอีกสองสามกรงในแมกไม้ร่มครึ้มพอเดินผ่านก็ได้ยินเสียงทักทายมาเข้าหูบอกสวัสดีเจ้าเล่นเอานี่แบบหันขวับเลยนะคะประมองเห็นก็อดยิ้มไม่ได้แวะเข้าไปทักทายมันนกขุนทองน่ารักเอียงคอค่ะแล้วก็ส่งเสียงสวัสดีค่ะชัดเจนแจ่มแจ๋วจนจะตตองนี่จุปากชมเปาะเลยนะคะแหมมันพูดได้ทั้งภาษาเหนือกับภาษากลางเลยวะ่ะ เสียงสวัสดีครับดังมาจากใต้สุ้มด้านในนะคะเดากันว่ามันคงได้ยินใครๆทักทายบ่อยจนจําได้ขึ้นใจก็เลยไปรับกุญแจแล้วก็เดินไปที่ห้องใกล้คาลเตอร์นั่นเองเป็นห้องเล็กๆตั้งเตียงใหญ่แบบโบราณเอาไว้เกือบเต็เตมห้องค่ะจะต้องอดหัวเราะไม่ได้บอกว่าเหมาะสําหรับหนุ่มสาวมาดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์ปลายเตียงก็มีตู้เย็นเล็กๆใส่น้ําดื่มกับเบียร์หลายขวดเลยวางแล้วก็มีบนโต๊ะเครื่องแป้งนี่ก็มีถุงขนมเคี้ยวใส่ตะกร้าไว้ด้วย เย็นนั้นเราออกไปกินข้าวซอยกันที่ร้านเสมอใจถนนฟ้าห้ามหรือว่าฟ้าหามนี่แหละนะคะก็มีทั้งหมูสเต็กอร่อยๆกับแคบหมูจิม้มน้ำพริกอ่องให้แกล้มเบียร์อิ่มหนำแล้วก็ออกเดินชมเมืองกันแบบเพลินๆจนไปลงเอยที่ไนาบาซ่าโอ้โหนักท่องเที่ยวคึกคักค่ะโดยเฉพาะฝรั่งนี่หนาตาที่สุดเสื้อผ้าแล้วก็ของพื้นเมืองเรียงรายละลานตาไปหมด เจ้าตองกับผมใจตรงกันเลือกซื้อเสื้อผ้าฝ้ายคนละสองสตัวแล้วก็เดินย่ำกันทั้งสองฝั่งถนนไหนจะมีซอกซอยให้เดินชมอีกหลายแห่งฝั่งไหนบาซ่าเดิมทีก็มีถึงสองสชั้นทั้งของเก่าแล้วก็ภาพเขียนสวยๆจนปาเข้าไปสี่ทุ่มกว่าก็ไม่รู้ตัวนั่งรถแดงหรือรถสองแถวคนละ20บาทกลับโรงแรมปรากฏว่ายังไม่ง่วงค่ะแต่ว่าริตเบียร์เนี่ยมันหมดสิ้นไปแล้ว ในตู้เย็นไงจะตองนึกได้ก็จัดการเปิดออกมาดวดกันจนเกือบสองยามเกิดหิวขึ้นมาก็เลยโทรไปสั่งอาหารแต่ว่าห้องครัวปิดไปแล้วเบียร์ยี่ห้อโปรดก็หมดเลยเปิดประตูออกไปยืนเก้ๆก๊กลางๆก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งสูบบุหรี่อยู่ที่เก้าอี้ยาวหน้าห้องถัดไปฝั่งตรงข้ามเป็นซุ้มไม้ครึ้มเขียวก็เลยปรึกษากันบอกว่าจะออกไปหาอะไรกินกันดีไหมไปเซเว่นสิคุณ เสียงดังมาจากหนุ่มใหญ่หน้าตาคมสันที่นั่งสูบบุหรี่สวมแว่นขาวกำลังมองมายิ้มยิ้มนะคะไปถึงถนนใหญ่อยู่ทางซ้ายมือหรือจะไปทางขวาก็ได้พอถึงสี่แยกก็เลี้ยวซ้ายผมก็ขอบอกขอบใจเขาหันไปมองสบตากันแล้วก็พยักหน้าเป็นเชิงเห็นพ้องด้วยปัดยุงที่ไต่ตอมแล้วก็เข้าไปหยิบกุญแจออกมาเปิดประตูชายคนนั้นกำลังก้าวเข้าห้องพอดีเรามุ่งหน้าออกไปตามถนนที่ค่อนข้างเปล่าเปลี่ยวในแสงไฟ มอเตอร์ไซคันนึงค่ะแล่นตะบึงผ่านไปไม่ช้าก็ออกสู่ถนนใหญ่หันมองร้านค้าที่เรามุ่งหน้ามาแต่ยังมองไม่เห็นวิวแววค่ะรถแดงว่างๆโฉบมาพอดีเราก็เลยบอกจุดหมายให้ค่อนข้างไกลโขเลยนะคะแต่เจ้าต๋องก็ได้เบียร์มาสี่ขวดใหญ่ของขบเคี้ยวที่เป็นกับแกล้มหลายถุงผมได้ซาลาเปาที่คนขายจัดการเอาเข้าตู้อบให้เรียบร้อยจ่ายเงินครบแล้วก็ผลักประตูออกมาอากาศเย็นเยือกจับใจ มองไม่เห็นผู้คนจะ น, น่าใจหายบนถนนก็ดูเหมือนจะมีแต่ความว่างเปล่ามองหารถแดงก็ไม่เห็นสักคันค่ะเดินถือว่าเราเนี่ยจะต้องหันมาเลิกคิ้วหนาวๆแบบนี้คงไม่เหนื่อยหรอกนะเดี๋ยวก็ถึงเสียงมันขาดหายไปในตามองผ่านผมไปทางขวามือเมื่อหันมองตามเพื่อนก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกําลังแล่นมาชายคนขับไม่ได้สวมหมวกกันน็อก มองเห็นใบหน้าที่มีรอยยิ้มกว้างในตาหลังแว่นขาวจ้องมองเราเหมือนจะทักทายก่อนจะผ่านหน้าไปอย่างเชื่องช้าราวกับภาพสโลโมชันเฮ้ยเจ้าตองครางอ๋อยปล่อยถุงเบียร์หล่นจากมือผมเองก็ไม่รู้สึกว่าม่านตาพราพรายไปพักใหญ่เสียงขวดเบียร์หล่นลงไปแตกเนี่ยดังแว่วเข้ามาเต็มทีเราทั้งคู่จนเห็นว่าชายที่ขับรถผ่านเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันกันกบที่เราเพิ่งเห็น ปิดเปิดประตูเข้าไปในห้องหยกๆที่โรงแรมทุกวันนี้พอนึกถึงใบหน้าที่ยิ้มกว้างแล้วก็ยังขนลุกเลยครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณ2แควได้เขียนไว้ว่าไปเที่ยวกับเพื่อนที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าโรงแรมตอนกลางคืนเลยแหละนะคะอยู่ห้องถัดไปบอกว่าให้ไปซื้อเบียร์ที่เซเว่นสิคุณหลังจากที่ไปซื้อเบียร์ที่เซเว่นแล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้ ขี่รถมอเตอร์ไซค์คะไม่ใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าปากนี่คือฉีกถึงหูเลยยิ้มแยะยิ้มให้ตานี่คือตาขาวหมดเลยเนี่ยคะไม่มีตาดำเลยเท่าที่บีจับใจความได้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเห็นแบบนี้แล้วอยากจะรู้จริงๆเลยว่าคุณผู้ฟังจะตัดสินใจเดินต่อเพื่อที่จะกลับห้องหรือจะนั่งรอที่หน้าเซเว่นจนกว่าจะเช้า ทีนี้มาฟังเรื่องราวของลูกพ่อขุนกันบ้างค่ะเล่าประสบการณ์ขนหัวลูกจากโรงงานที่ปากน้ำลูกพ่อขุนบอกว่าผมทำงานเกี่ยวกับการออกแบบให้กับโรงงานแห่งหนึ่งแถวสมุทรปราการห้องทำงานของผมนี่อยู่ด้านในสุดของตัวตึก3ามชั้นซึ่งยาวเหยียดเหมือนอาคารโรงเรียนแถมห้องนี้เนี่ยก็อยู่บนชั้น3อีกด้วยหลายคนอาจจะเห็นว่ามันน่ากลัวจนขนหัวลุกแต่ผมชอบนะเพราะว่ามันสวยดี ยิงตอนค่าทุกคนจะกลับบ้านหมดเหลือแค่ยามกับพานโรงไฟฟ้าบนตัวตึกก็เปิดอยู่ตรงระเบียงแค่ไม่กี่ดวงมันช่างเป็นช่วงเวลาที่หัวคิดผมเนี่ยมักจะแล่นดังนั้นผมจึงมักอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงลำพังบนตึกอันเวิ้งว้างห้องผมกว้างขวางไม่ใช่ย่อยเพราะว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนี้ครับเรานั่งทางานกันหลายโต๊ะตอนกลางคืนก็ดับไฟบางส่วนเปิดสว่างแค่ตรงที่ผมนั่งเคยมีคนถามว่าไม่กลัวหรอกลัวอะไร ถ้าเข้าหมายถึงผีแล้วก็ผมหัวเราะเลยโถ่ก็ไม่เชื่อว่าผีมีจริงสัอย่างแล้วจะต้องกลัวไปทําไมล่ะความลําบากลําบนของที่นี่มีอยู่ประการเดียวคือเวลาจะเข้าห้องน้ําต้องเดินไปไกลตามระเบียงยาวไปลงบันไดาทางสุดตึกนู้นเพื่อเข้าห้องน้ํารวมที่ชั้นสองทำไมไม่สร้างที่ชั้นสด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนมากผมขี้เกียจถ้าต้องเดินเข้าห้องน้ําผมก็จะรวบรวมเข้าของแล้วก็กลับบ้านเลยแต่ว่ามีอยู่คืนนึ่งกำลังเพลิดเพลินกับการออกแบบ ที่หน้าจอคอมฉับพลันก็มีเสียงเลื่อนเก้าอี้ดังครืดผมก็หันขวับเข้าไปดูก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวก็นึกในใจว่าเอ๊ะแล้วเก้าอี้มันเลื่อนได้ไงวะความที่ไม่กลัวผี่นะคะก็เลยเพียงแค่แปลกใจนิดๆแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกแต่แล้ว啊ความรู้สึกมันบอกว่าในห้องนี้ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวมันมีอะไรบางอย่างอยู่กับผมด้วยเหมือนกับมีใครบางคนอยากเล่นจ้าเอ๋กับเราแล้วเขากําลังแอบอยู่ใต้โต๊ะ ผมพละจากจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เดินมองไปทั่วห้องนึกขำว่าเอ๊ะใครกันนะมาเล่นตลกจับตัวได้ละน่าดูแต่ทว่าหาจนทั่วแล้วก็ไม่มีใครเลยจริงๆกระนั้นความรู้สึกว่าไม่ได้มีแค่เราคนเดียวก็ยังคงติดแน่นเหมือนเดิมผมไม่เคยรู้สึกหลังเย็นแบบนี้เลยทํางานที่นี่มาตั้งปีแล้วนะแม้จะไม่กลัวแต่ก็หมดสมาธิเพระมัวแต่หันหน้าหันหลังเลี้ยวมองอยู่นั่นแหละมันก็เสียววาบเข้าที่ข้างหลังเหมือนมีใครกําลังจ้องอยู่ไม่เอาละเลิกดีกว่า วันนี้กลับบ้านก่อนละกันไม่มีอารมณ์ทํางานและผมก็รวบรวมข้าวของประดามีใส่กระเป๋าฮิ้วแล้วก็ลุกขึ้นไปปิดไฟปิดประตูตลอดทางยาวของระเบียงก็ค่อนข้างมืดแต่ว่าผมเนี่ยชินซะแล้วก็เลยไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรว่าแต่ใครนะเห็นหลังไวัยเดินอยู่ข้างหน้าลิบๆินุ่นเขาอยู่ห่างผมไปเกือบสุดตึกเห็นได้ว่าเป็นด้านหลังของผู้ชายตัวสูงเดินโยกตัวหน่อยหน่อยแบบวัยรุ่นเก่าๆที่ก้าวขาเนิบเนไม่รีบเร่งใครกันวะ แต่รู้ว่าไม่ใช่ขโมยกระจนที่ไหนแน่ผมเดินเร็วจนเกือบจะเข้าใกล้เขาเลี้ยวลงบันไดช้าๆตามสบายผมก้าวตามลงไปติดๆจนอยู่ห่างเขาแค่ไม่กี่เมตรและเมื่อเขาเดินผ่านแสงสว่างของนิออนก็เห็นชัดนะฮะว่าแต่งชุดของคนทํางานที่นี่ก็คงลืมของก็เลยขึ้นมาเอาของละมั่งชายหนุ่มที่ผมเห็นแต่ด้านหลังเดินเลี้ยวเข้าห้องน้ําชายเอาละเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นใครผมก็เลี้ยวตามเข้าไปเพราะอยากเข้าห้องน้ําเหมือนกัน ห้องน้ำที่เปิดไฟไว้ดวงหนึ่งโล่งว่างทั้งบริเวณอ่างล้างมือโถปัสสาวะชายที่เรียงรายเป็นแถวแล้วก็ห้องสุขาที่เปิดประตูไว้ทั้งสมห้องมันโล่งเปล่าเปลี่ยวไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเลยเป็นไปไม่ได้ผมเห็นกับตาว่าเขาเดินเข้าห้องน้ําก่อนหน้าผมแป๊บเดียวเองแท้ๆสมองหมุนติว้วม่านตาพรา่ารู้สึกคล้ายวิงเวียนคลื่นไส้หน่อยแล้วก็มีเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากที่ไหนสักแห่งในห้องน้นํานี้คือมันเบามาก แต่ฟังออกว่าเป็นเสียงเด็กหนุ่มเท่านั้นเลยค่ะเจ้าของเรื่องบอกว่าผมเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้ที่ผมกลัวผีขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจก้าวถอยหลังออกมาจากห้องนั้นช้าๆหัวใจเต้นโครมครามอุ้งมือสองข้างชุ่มไปด้วยหยาดเหงือ่อปากคอแห้งผากแทบเป็นผงตึกนี้ไม่เคยดูยาวไกลแบบนี้มาก่อนเลยผมต้องเดินอีกไกลามากฝ่าความมืดตามลําพังไปที่หน้าประตูโรงงานมันไกลจริงๆครับคุณ ะไรที่สุดในโลกแต่ละย่างก้าวเนี่ยมันหนักฟืดเหมือนขาผมจะเป็นอมพาสมันหนักอึ้งแล้วก็ก้าวไม่ค่อยออกกลัวว่าจะมีอะไรตามมาข้างหลังจะร้องแรกแหกกระเชิงก็ไม่กล้ากลัวสติแตกจะวิ่งก็ไม่กล้าวิ่งในที่สุดก็มาถึงป้อมยามหน้าประตูยามก็กําลังคุยกับพานโรงอยู่ที่นั่นเขาเห็นสีหน้าผมแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยามก็เลยถามว่าขับรถไหวไหมผมต้องขอนั่งพักสักครู่ใหญ่ๆ ไม่มีใครหัวเราะผมหรอครับเขาคิดว่าผมรู้แล้วเสอีกว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมันมีคนงานผูกคอตายอยู่ที่ต้นไม้ข้างรั้วเออใช่ผมรู้แต่ดันลืมซะสนิทก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่คนกลัวผีผมก็เลยไม่ได้จํานี่ก็เป็นเรื่องนะคะของลูกพ่อคุณที่เขียนเล่าประสบการณ์ค่ะว่าเจอผีที่โรงงานที่ปากน้ากําจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองด้วยความที่เป็นคนไม่กลัวผีไงล่ะคะ ก็เลยไม่ได้จดจำว่ามีคนผูกคอตา ย, ยถ้าเป็นบีเนี่ยไม่บ า, บายก่อนละกันนะคะถ้าไม่ลาออกก็ขอลาพักร้อนก่อนละกันถ้าไม่ลาพักร้อนเลิกงานปกติก็ขอกลับบ้านพร้อมเพื่อนนะคะไม่เอาละค่ะโอทงโ T ที t, กลัวมาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวของผีบ้านผีเรือนค่ะคุณผู้ฟังรู้จักผีบ้านผีเรือนไหมคะน่าจะเป็นตามความเข้าใจของบีเองนะน่าจะเป็นผีบรรพบุรุษของเรา ที่เป็นปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าก็มาอยู่เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนมาดูแลลูกหลานหรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าที่สิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้นะคะทีอ่อาศัยอยู่ในบ้านเราคอยปกปักรักษาคนในครอบครัวน่าจะประมาณนี้นะเท่าทีบีเข้าใจเรื่องนี้ผู้ที่เล่าเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะบอกว่าผมเคยอยู่โยงเฝ้าบ้านตามลาพังเพราะว่าพ่อแม่กับน้องชายนี่ไปต่างจังหวัดกันหมด ในขณะที่ผมติดสอบแล้วก็คืนนั่นเองผมก็ถูกผีหลอกด้วยหลังจากที่ทานข้าวเสร็จก็เดินดูความเรียบร้อยรอบๆ บ, บ้านก็มีหมาสามตัวนะเป็นหมาไทยคอยติดตามเป็นบอดี้การ์ดค่ะมีสมบะมีคุณสมบัติคือเห่าเก่งแล้วก็ดุที่ประจบนี่เป็นที่หนึ่งเลยมีหมาแบบนี้ก็สบายใจไปอย่างคือถ้าใครแยมเข้ามาในบ้านเนี่ยหรือแค่ดอๆมๆมองๆที่ประตู3ตัวนี่ก็กเหา่าแบบกระโดดเห่ากันโชคแบบขวัญบินไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ผมล็อกประตูรัว้วประตูบ้านเรียบร้อยแล้วก็รูดม่านปิดไฟแต่ว่าทันทีที่มือกดสวิตดังแชะไฟมืดพรึบวินาทีนั้นก็มีเสียงคนใส่รองเท้าแตะเนี่ยวิ่งอย่างเร็วผ่านหน้าผมไปโดยมีแค่ประตูกระดิ่งผ้าม่านกั้นไว้สัญชาตญาณไงก็เลยตลบผ้าม่านออกไปมองดูแต่ว่าขณะนั้นคือในบ้านมันมืดสนิทก็เลยมองเห็นภายนอกได้ชัดเจนมันสว่างด้วยแสงจันทร์แล้วก็ไฟถนนนะคะ คือนันพระจันทร์เต็มดวงค่ะภาพที่เห็นคือมีแต่สนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้เป็นไปได้ยังไงเสียงคนวิ่งชัดๆแถมดังมากซะด้วยวิ่งแบบตับๆ ๆ, ๆเลยนะคะผ่านหน้าไปทางขวามือซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆตรงนั้นก็คือกำแพงไม่มีทางหลบไปไหนหรอกผมยืนงงอยู่สักพักคิดว่าอาจจะเป็นเสียงคนวิ่งที่ถนนหน้าบ้านมั้งเอ๊แต่ผมฟังไม่ผิดนะเขาวิ่งจากซ้ายผ่านมาทางขวา เออแต่ช่างมันเถอะอย่าคิดมากไปดูหนังสือต่อดีกว่า3ทุ่มละก็เลยเดินขึ้นบันไดมืดๆแบบนั้นแหละบ้านเราเองนี่นาะเดินขึ้นเดินลงทุกวันหลับตาเดินยังได้พอถึงสุดบันไดก็เปิดไฟไว้แล้วก็เลี้ยวเข้าห้องค่ะเปิดไฟสว่างจ้าเปิดแอร์เอาตำราขึ้นไปอ่านทบทวนบนเตียงไม่ถึง5นาทีค่ะเสียงประหลาดนั้นก็ดังอีกและคราวนี้วิ่งกับพื้นซีเมนต์รอบบ้าน รอบเลยจริงๆไม่ใช่แค่วิ่งออกกําลังกายหยอกๆนะแต่เหมือนคนกําลังตาลีตาเหลือกวิ่งหนีอะไรสักอย่างก็เลยวางหนังสือลงงงมากม้าก็ไม่เหา่าแต่มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เป็นความผิดปกติที่ผิดธรรมชาติซะด้วยสิขณะกําลังงงอยู่นั้นค่ะเหตุการณ์ก็เพิ่มดีกรีความสยองหนักหน่นวงกว่าเก่าเสียงคนใส่รองเท้าแล้วก็วิ่งตั๊บตั๊ตัตตนั้นนะคะเล่นเอาผมเนี่ยมองตามเสียงไต่เตี้ยมาตามผนังด้านนอกจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นสอง แล้วขึ้นหลังคาจนผมนี่ร้องบอกเฮ้ยคว้าพ่อหมมาคุมโปงหนังสง่งหนังสือเนี่กระเด็นไปทางไหนก็ไม่รู้เสียงวิ่งคึคกคัก ค, คึกคักอยู่บนบ้านบนหลังคาบ้านเนี่ยคือน่ากลัวสุดบรรยายละมันดังผมขวัญกันน่าดูผมเองก็ไม่เคยกลัวอะไรถึงกับตัวสัน่นเอามืออุดหูหลับตาปี๋สวดมนต์แบบจับต้นชนปลายไม่ถูกพักใหญ่ทุกอย่างก็เงียบสงบก็เลยเอามือออกจากหูที่จุกแน่นจนชาหนึบเลย เนื้อตัวปวดไปทางร่างกายเหนื่อยใจจะขาดแต่ที่แยกก่กว่านั้นคือมันน้อยใจนิดนิดว่าทําไมต้องทํากับผมแบบนี้นี่บ้านผมนะผมกําลังดูหนังสือด้วยเชื่อไหมน้ําตาผมเนี่ยไหลเลยแหละคิดว่าบ้านเราแท้ๆอยู่มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกไม่เคยรู้สักนิดว่ามันมีผีวันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ไปเที่ยวกับใครอุตส่าห์เป็นเด็กดียังมาหลอกกันได้ผีบ้านผีเรือนละสิเนี่ยไม่น่าทําแบบนี้เลยนะทางบ้านเงียบสงัดเลยนะคะเจ้าของเรื่องบอก ในบรรยากาศเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่มีตัวตนค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกเหมือนมีใครคนหนึ่งกําลังสํานึกผิดอย่างอายอที่คึกขนองเกินเหตุผมก็ค้อนลมค้อนแล้งไม่ดูและหนังสง่งหนังสือดีนะที่ตั้งใจเรียนมาแต่แรกถึงไม่ดูคืนนี้ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ทําข้อสอบให้ได้คะแนนไม่ดีนะน่าดูพอพอ่อกับแม่น้องๆกลับมาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ้าว พวกเขามองผมแบบกึ่งเชื่อกึง่งขำก็คิดว่าผมฝันร้ายหรือว่าสมองเพี้ยนไปชั่วขณะเพราะว่าอยู่ตามลําพังในบ้านอันเวงวางเงียบเหงาวันนั้นเราก็เลยไปบ้านคุณย่าที่บางนาหลังบ้านคุณย่าก็มีคูน้ําแล้วก็ที่รกร้างผมก็เดินไปใกล้ๆตรงนั้นกับเจ้าเปียกเพราะว่าจะไปจับแมลงมาให้แมงมุมที่เลี้ยงไว้ทันใดนั้นก็เห็นผู้หญิงเนื้อตัวเขียวๆดําๆเปื้อนโคลนตมเดินขึ้นมาจากคูแล้วก็หายไปกลางอากาศยามพรอเพ ผมตกตะลึงอ้าปากค้างหันมาจะบอกเจ้าเปียกแต่เห็นมันกำลังเอามืออุดจมูกแน่นสรุปเลยนะคะว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยเห็นผีชนิดเต็มตาแบบจังๆส่วนเจ้าเปียกเนี่ยไม่เห็นอะไรเพียงแค่ได้กลิ่นเน่าอย่างเดียวเท่านั้นก็เลยไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังเขาก็ทำหน้าเหมือนไม่เชื่อค่ะแต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีคนฆ่ากันนะคะคุณย่าเล่าให้ฟังทีหลังบอกเอาศพมาทิ้งคูน้า เรื่องนี้ถ้าไม่เห็นกับตาก็เชื่อยากล่ะครับว่ามีจริงเออว่าแต่คุณผู้ฟังล่ะคะเคยโดนผีหลอกกันบ้างหรือเปล่าถ้าเคยมีนะก็เขียนประสบการณ์ขนหัวลูกของตัวเองมาใน f c e b o o k f แฟนเพจพระเจอผีนะคะสะกดง่ายๆคะ่ะใส่เครื่องหมายแอดนะคะในช่องค้นหาเพื่อนนั่นแหละนะคะใส่เครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วยตัวพีโปแลนคะ่ะตัว R ตัว A นะคะแล้วก็ตัว j จ e r ค่ะแล้วก็ตัว P โปแลนด์เหมือนกันแล้วก็ด e ั e, ก็คือ E 2ตัวนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดที่ B นนำมาเล่าให้ฟังประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้ B ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ